ตอนเช้าท่านนิยมสวดปฏิดาณคาถาเ น, แบบนี่ยกรดน้ําแบบบุญยศิดาหนิกะตัดสะเนแต่ถ้าเป็นตอนเย็นเขานิยมสวดอิมินาอิมินาก็เป็นบทแต่งนะบุญยศิดาหนิกะตัดสะอันนี้ก็เป็นบทแต่งที่หลังที่โบราณอาจา ร, รย์วิญญาณาที่สนะีนั่นแหละนี่แต่ง เป็นบทสวดบทสวดทั้งหลายเหล่านี้เป็นบทธรรมทั้งนั้นที่ท่านเลือกเอาธรรมะมาเรียบเรียงเป็นบทสวดก <c oughs> <c oughs> ็จะว่าไปแล้วในระหว่างที่เราสวดก็เท่ากับว่าเราได้ฟังธรรมไปรอบหนึ่งในระหว่างที่เราสวดเนี่ยเท่ากับเราได้ฟังธรรมแต่เป็นธรมรมภาษาบาลี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลี การที่เราตั้งใจสวดควรตั้งใจสวดเพราะการสวดแต่ละครั้งมันถึงพระพุทธเจ้าถึงธาตุแท้ที่บริสุทธิ์ของพระองค์เพราะธาตุแท้เหล่านั้นยังมีอยู่พระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกธาตุแท้ของท่านเหล่านั้นยังมีอยู่ธาตุแท้คือธาตุที่บริสุทธิ์นะอย่างที่ว่านั่นเนี่ไม่มีอะไรปนเปื้อนนะเหลือหนึ่งเดียวนะ และอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดไปเป็นอนันตการไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีอะไรเข้าไปจํากัดนี่ธาตุของพระพุทธเจ้าพวกเราถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งคําว่าสารณะคาว่าที่พึ่งเนี่ยคือที่พึ่งของใจคือที่พึ่งของใจ ท่านห่วงบุรณ า, าจารย์ท่านห่วงมากห่วงพวกเราแม้แต่เราขอศินเนี่ยท่านก็ให้เราถึงสารณคมก่อนขอศินห้าดูทีไปดูในศินห้านะสินหนะ้าเบื้องต้นพุทธังสรนังคัตชามิธรรมังสรนองคัตชามิสังขังสรนองคัตชามิย้ำไปอีกเป็นดุติยัมปิย้ำไปอีกเป็นตะติยัมปิเป็นรอบที่สองเป็นรอบที่สาม เลัพวเราจะลืมสรณ ะ, ะของตัวเองคำว่าสาร ะ, ะคือที่พึ่งของใจนะไม่ใช่ที่พึ่งของกายแต่อย่าลืมว่าใจมันสําคัญกว่ากายถ้าใจเราดีใจเราถูกฝึกฝนใจเราถูกอบรมดีมันก็จะพากายเราไปดีถ้าใจเราสเปะสปะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ระลึกไม่มีที่อาศัยดีมันก็พากายของเราไป ไม่มีแนวไม่มีแถวจะเปรจะปะไปทุกไปยากไปลําบากไปกันดานกายเหมือนกับหุน่นร่างกายของเราเน่ยเหมือนกับหุน่นจิตใจเหมือนกับคนเชิดหุน่นจิตใจเหมือนกับคนเชิดหุน่นเวลาคนเชิดหุน่นเอาหุ่นไปทิ้งหุ่นก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่คนเรานั้นเวลาระบบระบบของร่างกายมันทํางานไม่ได้ผู้เชิดหุ่นก็โดดลงนี้ไปแล้ว เหลือแต่หุ่นทิ้งนอนแอ่งมั่งอยู่นั่นอะอืมแท้ที่จริงมันก็ไม่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เอวังธรรมโมเอวังพาวีเอวังอนัตติโตคําเหล่านี้จึงเป็นคําที่ปลงปล่อยอ๋อมีอย่างนี้เป็นธรรมดาอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอ๋อ แม้เราก็ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เอวังอนาตีโตไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ท่านให้พิจารณากายแต่ละข้อแต่ละข้อในบทบทที่เป็นบทที่ตายเราเป็นเขาเป็นโอ้ร่างกายก็เหมือนกันเนาะเขาเจ็บเขาปวดเราก็เจ็บเราก็ปวด เขาเป่วย เ, เขาไข้เราก็ป่วยเราก็ไข้เขาตายโอ้เราก็ตายเราตายโอ้เขาก็ต้องตายเราสุขด้วยบุญด้วยกรรมของเราโอ้เขาก็สุขด้วยบุญด้วยกรรมของเขามีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ท่านให้เราปลุงท่านให้เราปล่อยเพราะสิ่งเหล่านี้ภาวะเหล่านี้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ การที่เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง k ์นั้นระลึกถึงเฉยๆก็เกิดประโยชน์ก็เกิดบุญระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงเป็นบริสุทธิ์ที่คุณหากพระองค์ฉลาดด้วยบทธรรมอ ฉลาดด้วยบทธรรมเป็นพระปัญญาคุณเป็นพ ร, พระปัญญาคุณพระธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งแปดหมืนสีพันพระธรรมขันธ์นั้นแต่ละบทแต่ละบาทเราต้องโอปะญิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามากำกับที่กายน้อมเข้ามากำกับที่วายใ น้อมเข้ามากำกับที่ใจธรรมะเหล่านั้นเมื่อถูกเราน้อมเข้ามากลายเป็นว่าใจของเราเนี่เอาธรรมะมาเป็นเครื่องประดับประดับกายประดับวาจาประดับใจกลายเป็นธรรมราภรณ์ถึงแม้ว่าเราจะสวมใส่เสื้อผ้าอาภร์สวยหรูงามราคาแพงมากน้อยเท่าไหร่ก็ตาม ถ้ า, าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมมากำกับดูแลกายของเราวายจาของเราใจของเราร่างกายของเราวายจาของเราเหมือนกับเปลือยเปล่าภายใต้อาภรณ์เปลือยเปล่าภายใต้อาภรณ์เพราะมันไม่มีที่พึ่งอาภรณ์เหล่านี้กลายเป็นว่าเอามาประดับเอามาตกแต่งด้วยความหลงด้วยความเพลินโอ้ยซื้อราคาแพงๆมาประดับ แท้ที่จริงตามหลักที่ท่านน่งท่านหอมท่านใช้ท่านสอยเพื่อปกปิดความละอายเพื่อปกปิดความหนาวเพื่อปกปิดความร้อนเพื่อปกปิดเลือยยุงบุ้งริ้นทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะมาทำ อ, อันตรายกับร่างกายร่างกายเป็นสมบัติของจิตใจเราต้องดูแลเราไม่ดูแลถือว่าผิดหน้าที่ เมือ่อเราทอดทิ้งสมบัติของตัวเองเจ็บใค่ได้ป่วยมาก็เป็นภาระของใจอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นกายก็พึ่งใจใจก็พึ่งกายเป็นเพื่อนสองเพื่อประกอบการสร้างคุณงามความดีมีแต่กายแต่กายไม่เป็นผาสุขใจก็วิตกใจก็ห่วงใจก็กังวล เอาเวลาไปเล่เวลาไปภาวนาก็ไม่ได้ห่วงใ ย, ยวิตกกังวลกันอยู่นั่นแหละเพราะเขาเป็นของกันและกันพวกเราทั้งหลายฝึกฝนอบรมเพื่อเอาคุณสมบัติเหล่านี้มาประดับกายมาประดับวาจามาประดับใจ เอาอาพรทั้งหลายเหล่านี้มาประดับกายมาประดับวายจามาประดับใจไม่จำเป็นต้องสีฉูดฉาดแพรวพราบาดหูบาดตาเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นผาสุขปกปิดความละอายปกปิดความหนาวความร้อนเหลือบยุงทั้งหลายทั้งปวงอืมนุ่ม ราคาจำแพงของจะสดสวยงดงามเท่าไหรก็ตามแต่เราใส่เพื่อมุ่งหมายปิดความละอายไม่ได้มุ่งหมายความสวยงามมุ่งหมายความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่บาดไม่อุบาทไม่อุจารบาดหูบา ด, บาดตาเดี๋ยวนี้พวกเราให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้น้อย นุ่หม่มเพศผู้ชายเพศบุรุษเพศสตรีเพศบุรุษเป็นเพศที่อืปกสามศอกหวานทะเพศสตรีเป็นเพศแม่เป็นเพศที่อ่อนเป็นเพศที่นิ่ม เป็นเพศที่อ่อนสละสลวยสวยงามแต่ยุคสมัยตุ ว, วันนี้มันกลับเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามแล้วอืเขาถือว่าเขามีสิทธิ์เท่ากันเหมือนกันหมดมีสิทธิ์ยังไงก็ตามเพศทั้งสองเพศเนี่ยเพศหนึ่งเป็นเพศที่เข้มแข็งเป็นเพศอีกเพศหนึ่งอ ด้วยรูปร่างร่างกายถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอแต่ความละเอียดละออของใจนั้นมีความละเอียดละเออเท่ากันเหมือนกันหมดเพราะผู้ชายก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้ผู้หญิงก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยข้อปฏิบัติทั้งนั้นไม่ใช่เข้าถึงได้เฉยๆเพราะนาง มหาประชาบดีโคตมีหลังจากหมดพระยาสุทโธธนะไปแล้วพระญาติพระวง์ลูกหลานอะไรเขาก็ไปบวชหมดแล้วพระนางอยู่ทำไมพระนางก็ออกไปออกไปอ้อนวอนพระอนุนอ้อนวอนและอ้อนวอนอีกขอให้มีสตรีบวชในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ท่านไม่ได้ดิ้นรนต้องการให้ผู้หญิงเข้ามาบวช เพราะถึงไม่บวดรักษาศีลห้าตั้งใจภาวนาเพื่อมรักเพื่อผลก็สามารถบำเพ็ญได้เข้าสู่มรักเข้าสู่ผลได้พระอนุนแต่ด้วยความรักเพศนิยมเพศหมายความว่าเป็นเพศผ้าเหลืองเป็นเพศนักบวชเป็นเพศพรมยจันเนี่ยนางประชา บ, บดีร้อ ง, องห่มร้องไห้โกนหัวพาพวกนางสากยานีห้าร้อย ไปที่นู่นที่ป่าอันโทวันเข้าไปเาพระพุทธเจ้าขอร้องพระอานอนท์ให้ช่วยไปกราบทูลให้ด้วยว่านางก็มีความสามารถที่จะเข้าสู่พระธรรมวินัยเหมือนพระองค์เหมือนบุตรเหมือนผู้ชายทั้งหลายอ้อนวอนขอร้องครุที่เจ้าท่านก็นไม่ตัดสินใจเ พ, พื่อพลาดเออบวชขึ้นมาได้ทันทีถ้าพระนางถือครุธรรมเปดประการได้ ความเป็นภิกษุณีจงเป็นของนางเถิดครูทำเปดประการนี้ถ้าเราจะเทียบกับกฎระเบียบกฎหมายนี่ก็เท่ากับกฎเหล็กเพางั้นถ้ากินยากยากลําบากมากมันเป็นกฎเหมือนกับถูกบีบ บ, บังคับบังคับไปในตัวเพราะท่านไม่ต้องการให้มาลุกครีอะไรมากมายนะักมันจะเป็นเหตุทําให้าศาสนาของพระองค์นี้อ่อนแอ เพราะถึงไม่เข้ามาก็สามารถตั้งใจประพฤติตามได้ปฏิบัติตามได้เพราะผู้หญิงผู้ชายนั้นมันเป็นเพศเฉยๆแต่จิตใจแล้วไม่มีผู้หญิงผู้ชายด้วยเหตุที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงเราก็ยืดยืดยืยยืดเราผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงด้วยเหตุที่เราเกิดมาเป็นผู้ชายเราก็ยืดยืดยืดยืยื ด, ย ด, ย ด, ยดเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายเลยสําคัญมั่นหมายว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอืม มันเป็นหลักธรรมชาติเกิดมาเพื่อเจริญพันธุ์เพื่อสืบเผ่าพงพันธุ์ความเป็นมนุษย์มนุษย์สิธะมนุษยชาติแต่จิตใจนั้นละเอียดอ่อนเหมือนกันผู้หญิงก็มีความละเอียดอ่อนสามารถเขาถึงทำถึงวินัยสามารถพ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏฏะสงสารไปได้แท้จริงเพศผู้หญิงกับเพศผู้ชายก็กลับกันไปกลับกันมากลับกันมากลับกันไป กลับวันไปกลับวันมาเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างเป็นผู้ชายบ้างเป็นผู้หญิงบ้างแม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงพระชนอยู่ก็มีเหมือนกันนะลูกของโสรยานครเนี่ยนะเป็นผู้ชายไปค้าขายอไปค้าขายไปกับเพื่อนไปเห็นพระโมกั์ละไรไปเห็นพระกัพระมหากัจายณนะ ไปเห็นพระมหากัจายนานะในรูปร่างสวยงามมากพระมหากัจายนานาเนี่ยอคนนี้ยังไม่ยังไม่ได้แต่งงานนะอ๋อมีลูกแล้วว่างั้นนะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วไปค้าขายต่างเมืองอไปค้าขายต่างเมืองก็ไปเห็นที่เมืองอะไรไม่รู้นะ่ะพระมหากรัจายานาอยู่เห็นพระมหากัจายานนั้นสวยงามเหลือเกินะท่านเป็นพระ อรหันแล้วพระมหากัจายนะเนี่ยลูกของเสส ร, รยานครเนี่เป็นนักพ่อค้าพานิษย์ไปเห็นหลงรักโอ้ถ้าเราได้มียสวยขนาดนี้เนี่ออ้เราจะน่าภาคภูมิใจที่สุดเลหลงรักในรูปโฉมของของผู้ชายคือพระมหากัจายนะเนี่ยด้วยคำแค่นี้เองเปลี่ยนเพศเปลี่ยนเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนี่เขากล่าวนะ สมัยพระรู้เจ้าท่านยังทรงพระชนอยู่เปลี่ยนเพศขึ้นมาทันทีเรื่องเพศเหล่านี้มันเปลี่ยนได้ด้วยกรรมมันเปลี่ยนได้ด้วยกรรมกรรมอันนี้คือกรรมสี่นิหารักใคร่นั่นเองฮะด้วยจิตสํานึกอยู่อย่างนั้นเนี่ยทำให้กลายเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิงขึ้นมาทันทีแล้วก็เดินไปเอ๊ดูมาที่รูปร่างของตัวเองกลายจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงแล้วอู้ระอายลระเกินไม่กล้ากลับบ้าน ก็เลยอยู่เมืองนั้นะอยู่ไปอยู่มาเขาเห็นว่ารูปงามเอาไปให้เศรษฐีไปแต่งงานกับเศรษฐีมีลูกทั้งสองคนนะก่อนที่จะก่อนเมื่อก่อนนั้นเป็นผู้ชายไปแต่งงานมีมีลูกทั้งกี่คนไม่รู้ตอนหลังมากลับเพศเป็นผู้หญิงอนะ่ไปแต่งงานอีกมีลูกอีกทั้งสองคนว่างั้นนะมีลูกอีกทั้งสองคน เกิดความละอายและเกิดมีอยู่มาวันหนึ่งไปเจอเพื่อนเพื่อนที่เคยไปด้วยกันเนี่ยอ้าวเรานี่แหละเพื่อนโอ้ทําไงนี่เราเป็นผู้หญิงแล้วตอนนี้กลับเพศมันกลับะจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงแล้วเพราะอะไรล่ะอุ้ยเราแค่ไปนึกรักพระมห า, ามหากัจจายนะเท่านั้นเองเพอนึกรักเทนั้นเพศมันกลายจากผู้ชายเป็นผู้หญิงขึ้นมาทันทีอืมไปอยู่ด้วยกันจนมีลูกนะ่ะ มีลูกหนึ่งคนสองคนนั่นแะเสร็จแล้วก็ทำห้รับเพื่อนเพื่อนก็เลยให้ไปขอขามาพระมาะหาโมคคลานะเอ้ยพระมหากัดใจนะเพื่อนเลยพาไปขอขามาขอขามาลาโทษได้คิดล่วงเกินยังไงยังไงยั ง, งางยังไงเ น, นี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นนี่คืออำนาจของความอยากเห็นไหมตัณหามันพาเราร่าดิ้นรนสารพัดสรพีจนกลายเป็นผู้หญิงนะฮะ เสร็จแล้วก็คืยขอขอขามาท่านขอขามาท่านขอขามาท่านก็กลับเพศเป็นผู้ชายเนี่ยในยุคนี้ในยุคนี้นนมอนอย่างพระอนอนท์เนี่ยอ น, อนนท์เคยกลายเป็นผู้หญิงเพราะอานอนท์ทำกรรมทำกรรมอย่างหนึ่งเขาเรียกประดารกรรมไ ป, ไปเอาเมียของคนอื่นนะพระ อ, น, อนนทะ์นะประร แปลว่าอื่นดาระแปลว่าเมียพระดาระกรรมกรรมที่ไปเอาเมียของคนอื่นพระอานนท์น ะ, ะพระอานนท์เคยกลายเป็นเป็นผู้หญิงด้วยเหตุที่ไปไปมีชู้ไปเอาเมียของคนอื่นตัวเองเลยกลายเป็นกลายเป็นผู้หญิงแล้ว ก, กลับไปกลับมากลับมากลับไปนี่แหล ะ, อะพอแต่ท่านว่า จิตของคนไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงหากแต่ว่ามันไปสวมเรือนร่างของอะไรมันหากไปสวนไปสวมใส่ตามบุญตามกรรมบุญกรรมของใครนึกคิดยังไงสมประมาทยังไงคึกขนองยังไงอืมก็ไปเกิดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีมันจึงมีคนมันจึงมีคนที่มีจริตนิสัยไม่เข้า บางคนเป็นผู้หญิงแต่จิตใจจิตนิสัยกลับเป็นผู้ชาย อ, าอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้เลแล้วก็บางคนเป็นผู้ชายแต่มีจิตนิสัยเป็นผู้หญิง แ, แต่มันเสียอย่างเดียวถ้เขาเปลี่ยนเสียงไม่ได้อย่างอื่นเ็าเปลี่ยนได้หมด น, นี่คืออะไรความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายมันเป็นไปตามจริตมันเป็นไปตามนิสัย บางคนมีนิสัยเป็นผู้หญิงแต่ไปเกิดเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายยังไม่สมบูรณ์มีผู้หญิงติดไปด้วยบางคนจะเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีนิสัยเป็นผู้ชายบางคนเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายเ <c oughs> <c oughs> ขาเรียกกับเทยระวังไดีพวกนี้ได้ทั้งขึ้นทนะั้งลงเนี่เกิดขึ้นกับความชอบใจเราดูเถอะ เราดูบทบาทของกรรมกรรมมันบันดาลให้เราเป็นสารพัด ส, สารเพที่จะเป็นเหตุนามานำมาซึ่งพบซึ่งชาติทุกยากลำบากกันดานแต่ในที่สุดในที่สุดในเมื่อได้ตั้งใจฟังอัดฟังซ้มศึกษาเรื่องศีลเรื่องธรรมตั้งใจฟังอัดฟังธรรมตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม ก็สามารถเข้าถึงธรรมพ้นทุกพ้นโทษในวัฏฏะสงสารไปได้เหมือนกันเหมือนกันจบพบจบชาติได้เหมือนกันนี่มนุษย์เราดูถูกกันไม่ได้มันหากเป็นที่จริตมันหากเป็นที่นิสัยมันชอบชอบอืมชอบจริตนิสัยชอบอยังไงมันก็แสดงกิริยาไปอย่างนั้นจริตนิสัยเป็นยังไงมันก็ทำอย่างนั้นจริตนิสัยชอบอยังไงมันก็ทาอย่างนั้น กันดูสิบางคนนี่ไม่มีเขาไม่มีเงื่อนอะไรสักอย่างเลยที่จะเป็นผู้หญิงแต่มันก็ไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงเขียนคิ้วทาปากนุ่มกระโปรงกระเพลิงนะเขาเรียกเขามีชื่อเรียกนะแต่เราจำชื่อไม่ได้เขาเรียกชื่ออะไรผู้ชายทําลักษณะเหมือนผู้หญิงผู้หญิงทําลักษณะเหมือนผู้ชายเขามีชื่อเรียกทั้งสองนั่นแหละ อืบางคนก็ชอบพอใจกันผู้ชายคนหนึ่งชอบทําตัวเป็นผู้หญิงนะฮะไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งก็ชอบทําตัวเป็นผู้ชาย <c oughs> มันก็ไปแต่งงานกันนะพอไปแต่งงานกันไ อ, ผนนไน อ, <c oughs> อ้ผู้ชายนั่นแหละมันมีท้องฮ่ผู้ชายนั่นแหละมันไปมีท้อง เพราะมันเพศมันเป็นมันเป็นเพศผู้หญิงแต่ใจมันเป็นผู้ชายตัวมันเป็นผู้ชายแต่ใจมันเป็นผู้หญิงมันไปรักมันก็ไปรักผู้ชายไอ้ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะร่างกายเป็นผู้ชายแต่ใจมันเป็นผู้หญิงมันก็ไปแต่งงานกันเอากลายเป็นว่าสามีเป็นผู้มีท้องเป็นผู้อุ้มท้องโอ้นี่มั้งเขาว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยอะสามีอุ้มท้อง อุ้มท้องแทนสามีอุ้มท้องแทนเนี่ยอ๋อสิทธิมนุษยชนกฎหมายสิทธิมนุษยชนพวกเราก็ให้รู้จักขอบเขตถ้าเราไม่รู้จักขอบเขตอ่าเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงเราก็มีสิทธิเหมือนผู้ชายโอยแต่งตัวซะจนอ่ผู้ชายเขาใส่ชุดหรูสากล สุขภาพเรียบร้อยโอ้โหผู้หญิงเราเนี่ยเปิดนิดปิดหน่อยไหว้หน้าแวกหลังเราดูเถอะพยายามทำให้ได้ตามอิสระสิทธิมนุษยชนมันผิดเพศผิดวัยดูแล้วก็โอ้ยน่าสะลดใจหลงงม ง, งายอะไรป่านนี้บางคนก็โอ้ยนุ่งเลยกางเกงน้อยนิดหน่อยเท่านั้นเอง โอ้คนพูดดีเรานี่แหละแต่ทำไมมีนิสัยชอบอย่างนั้นเลยลบล้างวัฒนธรรมหลักศรรีลหลักธรรมของเราไปหมดลืมเนื้อลืมตัวลืมรักษากิริยากายกิริยาวาจาเดี๋ยวนี้กลายเป็นกลายเป็นว่า ผู้ชายอยู่กับที่ผู้หญิงต้องไปโสไปเสวงหาได้ยินเขาเล่าได้ยินเขาว่าไม่รู้จักดอกอนี่คือพวกเราทำทาเกินเหตุแล้วก็มันก็ไม่ดูแล้วก็มันก็ไม่สวยไม่งามเระปิดดิน้นรนไปหลงไหลอะไรกับมันถึงขนาด น, านั้นทำให้ขนรตมเนียมคาธิริขาดโอตาปะ ความละอายแก่ใจเอาไปไว้ที่ไหนหมดก็ไม่รู้ดูแล้ววุ่นสลดมันสังเวชใจตามทั่วๆ่วไปเราไม่ค่อยเห็นดอกเราจะไปเห็นในที่นูน่นตามชุมชนตามสถานีขนส่งรถไฟเครื่องบินเราไปดูเต็มเกลื่อนไปหมด มีทั้งบ้านเขามีทั้งบ้านเรามีทั้งเมืองในมเมืองนอกเต็มไปหมดเกลื่อนกลอนอยู่นั่นแหละอืไปเห็นโอ้มันอย่างนี้ม น, นุษย์เราเนี่ยอิสระเสรีจริงๆขาดความสำรวมระมัดระวังเดินเดินกดเฉยเดินดูเฉยขวางหน้าขวางหลังใครไม่รู้จักแหละ อิสระเสรีเหลือเกินอิสระเสรีจนขาดความระมัดระวังไม่มีเลยความระมัดระวังระวังเนื้อระวังตัวอะไรสักหน่อยไม่มีเลยเดินกดเดินดูหนะักขวางหน้าขวางตาใครไม่รู้แหละอ่าทำไมมันอิสระเสรีถึงขนาดนี้มนุษย์เรามันขาดหิริขาดโอดตับปะขาดขันติความอดความทนความสงบเส ง, เงี่ยมไม่มี ไม่มีความสวยความงามทมที่ทำให้ทำอันทำให้งามคือหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวกลัวเวรกลัวภัยกลัวบาปกลัวกรรมกลัวคนดูถูกติสินินทาไม่มีอิสระเสรีละเกิน มีแต่ค่าทางสังคมแบบนั้นค่าแห่งศีลค่าแห่งธรรมไม่มีนี่น่าสลดใจที่สุดตรงนี้แหล ะ, ะผู้หลักผู้ใหญ่เพศวัยพระเจ้าพระสงฆ์นักบวชไม่สนใจล ะ, ะไม่สนใจละทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาทำตัวเป็นอิสระ เขาเรียกว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษ ย, ช น, นษยชนได้ยังไงธรรมชาติสร้างมาแล้วอืมมันเปลี่ยนนนนีแต่เขาอยากจะเปลี่ยนเออให้สามีช่วยอุ้มท้องบ้างเนี่ยตามตำนานที่เล่าให้ฟังนี่แหละเนี่ยสามีเลยกลายเป็นอุ้มท้องเ <laughs> พราะสามีเพราะสามีเนี่ย เป็นผู้หญิงแต่ชอบทําตัวเป็นผู้ชายแล้วไปแต่งตาไ ป, ไปแต่งงานไปแต่งงานกับผู้ชายที่มันทําตัวเป็นผู้หญิงเลยเลยเปลี่ยนกันตั้งท้องจริงๆโอ้เนี่ยสามีตั้งท้องจริงๆอนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าโอ้สิทธิมนุษยชนเนี่ยอ่าสามีตั้งท้องได้จริงๆ โอ้นีสังคมทุกวันสังคมปัจจุบันมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะอะไรก็ เ, เพราะเราห่างเหินศีลธรรมขาดการศึกษาศีลธรรมขาดจริยธรรมไม่มีธรรมมาพิบาล ในเมื่อเราอิสระเสรีอย่างนี้เราก็เปิดโล่งให้กับกิเลสตัณหาไม่มีประตูปิดสักอย่างเลยที่จะสังวรสัมรวมระมัดระวังเพื่อรักษาคุณงามความดีมันไม่มีแล้วอ ะ, อะไรต้องการก็ทำเอาอะไรชอบใจก็ทำเอาอะไรชอบใจก็ทำเอาทำตามใจชอบ ทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบทาอะไรอะไรได้ตามใจชอบคนเราในเมื่อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบแล้วมันก็เป็นกิเลสตัณหาทั้งร้อยเรื่องของตัณหาในหัวใจของเราเนะ่ะมันมีมากมายมหาศาลมากกว่าน้ำในมหาสมุทนธนิตัณหาสมาณที น้ำในมหาสมุทรยังสู้ตันหาในหัวใจของคนไม่ได้คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยเนี่ยจิตของเราออกไปแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะนันตันหาทั้งนั้นมันกระเสือกกระสนมันดิ้นรนท่านเรียกว่าความทะเยอทะยานจิตที่ทะเยอทะยานคือจิตที่มีราคะตันหาเต็มแปร่อ ย, อยู่ในนั้นไม่มีอะไรเป็นขอบเป็นกรอบเป็นขอบเป็นเขต จำกัดเช้าหน่อยหนึ่งก็เจอของทุกข์ล้สักหน่อยหนึ่งก็เจอของทุกข์สักหน่อยหนึ่งก็เจอของทุ ก, กอขอก์แทนที่จะเอาจิตคือผู้รู้อันดิบดีวิเศษวิโสนี้มาทําความสนใจฝึกฝนอบรมตั้งใจรักษาศีลตั้งใจประพฤติ ธ, ธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารไม่มีแล้วทั้งทั้งที่เราอยู่ท่ามกลางศาสนธรรมคําสอน มีหลักคําสอนเต็มหีบเต็มตู้กัมพีประไตรปิดกมีมากมายเต็มไปหมดตู้ประไดปิดกตู้ไหนตู้ไหนตู้ไหนไม่มีบกพร่องเดียวนี้ไม่มีมันไม่มีดึงไปดูอะ่ะเอาแต่อะไรไปดูไม่รู้แหละอะไรเป็นตําราของโลกโลกายาตเป็นเรื่องเป็นไปของโลก น, นี่นั่นดูที่สุดชอบที่สุดอะไรบาดหูบาดตาอะไรเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นแฟชั่น เป็นโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละที่ดิบดีๆยืดมาถือยืดมาประพฤติยืดมาปฏิบัติเขาว่าทันสมัยทันสมัยแท้ที่จริงล้าสมัยล้าสมัยมันไม่มีสมัยใดๆแล้วที่จะทันสมัยยิ่งกว่าสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระธรรมสมัยพระสงฆ์หลวงตาท่านว่าพุทธสมัยธรรมสมัยสังฆสมัยอีกทันสมัยที่สุด พวกเราทันสมัยยุคพวกเรานี่ทันสมัยยุคแต่ไม่ทันกิเลสตัณหามันเอาไปใช้สมยหมดมันเอาหัวใจที่ดิบดีวิเศษวิโสของเรานะ่ยไปใช้เสียหมดจะจะเอาอะไรมาทันสมัยอดีตก็ไม่รู้จักอนาคตก็ไม่รู้จักปัจจุบันก็ไม่สนใจไม่รู้จักพุทธสมัยธรรมสมัยสังฆสมัย ท่านสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันในเมื่อปัจจุบันเราดีเราสร้างแต่คุณงามความดีล่วงไปเป็นอดีตอดีตก็ดีอนาคตที่จะมาถึงในข้างหน้าก็ดีนี่อนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีอดีตก็ดีคาว่าสมัยสมัยสมัยก็คือการเวลาที่มันเปลี่ยนไปสมัยที่สำคัญที่สุดก็คือ ปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เราทําอะไรดีหรือไม่ดีกิเลสสวมรอยหรือทำสวมเข้ามาในเรือนจิตเรือนใจของเราถ้าเป็นทำถ้าเป็นธรรมถ้าเป็นศีลถ้าเป็นธรรมสวมเข้ามาอันนี้เป็นพุทธสมัยพุทธสมัยนั่นแหละตื่นไม่หลับไหลตื่นโโรอยู่ตลอดการกัางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอน พุทธสมัยของเราเนี่ยตื่นโรูอยู่ตลอดไม่มีล้าหลังไม่มีล้าสมัยจะ อ, อะไรมาล้าสมัยในเมื่อเราตื่นในเมื่อเราให้ความสําคัญกับสมัยปัจจุบันล่วงไปก็ดีปัจจุบันเราสร้างกุศลล่วงไปก็เป็นกุศลเป็นวิบากที่เป็นกุศลในส่วนอดีตที่ล่วงไปก็เป็นกุศลในเมื่อเราตั้งใจจะทําศีล ทำสมาธิทำปัญญาดํารงมั่นอยู่ในปัจจุบันอนาคตที่เราหมายเอาไว้ก็คือสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นว่าสมัยที่ล่วงไปเนี่ยะสู้พุทธสมัยไม่ได้สู้ธรรมสมัยไม่ได้สู้สังฆสมัยไม่ได้นอกนั้นล้าสมัยทั้งนั้นพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละทันสมัยที่สุดทําไมจีว่าทันสมัยที่สุด พันกิเลสตัณหาในหัวใจอยู่กับปัจจุบันด้วยกุศลธรรมมีความสุขมีความสดชื่นมีความเบิกบานมีความผ่องใสไม่ให้กิเลสตัณหามาก่อกวนในหัวใจของเรานี่วันนี้ธ <laughs> รรมะรุ่งรุ่นเลยเบิกสมัย <laughs> มาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรเียกับเวลา